สวยก็ถามพวกเราว่าเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรอีกคำถามที่ญายถามก็คือว่าเป็นชาวพุทธทำไมถือพุทธศาสนาเพื่ออะไร เกิดมาทําไมที่บางทีก็ตอบยากนะเพราะว่าเกิดมาแล้วถึงค่อยรู้รู้ความแต่อยู่ไปทําไมนี่เองตอบได้นะยิ่งเป็นชาวพุทธแล้ยังตอบได้นะว่าเป็นชาวพุทธ <c oughs> ทำไมเป็นชาวพุทธเพื่ออะไร ชาวพุทธคือใครอย่างไรเรียกว่าชาวพุทธนะ mm hmm. คนเราบ่แม่นว่าเป็นชาวพุทธทันทีที่เกิดมาอันนั้นเป็นพุทธตามทะเบียนบ้านพุทธตามพ่อแม่ แต่ ว, ว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะเราเลือกเป็นบ่แม่นบังเอิญเป็นแลวเลือกเป็นชาวพุทธเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าทั้งหมู่บ้านเป็นพุทธก็ต้องเป็นพุทธบ้างนะคือไม่ไม่นับถือพุทธเดียวอยู่ยาก แบบนี้ก็มีคือไปตามกระแสก็เหมือนคนอื่นกินข้าวเนีวมากินขนมปังมันก็บักคือแต่ที่จริงก็มีแล้วนะบางคนก็กินขนมปังหรือว่ากินกาแฟ ข้าเหนียข้าเจ้าก็บอกกินทั้งหมู่บ้านจะกินยังไงฉันก็จะกินขนมปังกินกาฟแฟเมื่อเราเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้ว่าเราเลือกเป็นพรแม่บังเอิญหรือว่าพ่อพ่อแม่เป็น เลือกเป็นชาวพุทธก็เพราะว่าเรานับถือพระรัตรไกรว่าเป็นที่พึ่งหรือว่าเราเชื่อตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอยังไง ก, ก็เชื่อ เชื่อว่าจะพาไปดีดีนี่ดีแค่ไหนบางคนก็ว่าดีก็เพียงแค่จะได้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีความเจริญทำอะไรก็สำเร็จ ดีแค่นั้นพอไหมหรือว่าเพื่อศาสนาสามารถจะให้มากกว่านั้นหรือดีกว่านั้นได้ก็คือความพ้นทุกพ้นทุกนี่หมายถึงทุกใจนะทุกกายนี่บอ่มีใครพ้นหรอก่ย บอเนี่ยทุกใจเนี่ยพอมันจะมีทางพ้นได้แต่ทุ ก, กายนี่ยากเป็นแปบ่ัได้แค่นั่งตรงนี้ก็ทุกแล้วปวดเมื่อยเราต้องรอให้แกอย่างเด็กน้อยมานั่งนี่ก็ปวดเมื่อยแล้วนี่เราทุกกายยิ่งถ้าอยู่ไปอยู่ไปก็แกวยร้อนหนาว เดี๋ยวจะหนาวมาแล้วหนาวจะมาแล้วหนาวก็ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์นี่มันแบบพิงไฟหรอกเดี๋ยวถ้าจะถ้าจะทุกข์ก็เอาเสื้อผ้ามาใส่หนาๆทุกกายว่ามีวันหนีพ้นแต่ทุกข์ใจมีพ้นได้เรานับถือเราเป็นชาวพุทธเพราะว่าเราเชื่อในพระธรรมตราย เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระธรรมของพระองค์นีดีจริงแล้วก็เชื่อในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระองค์นื่นับถือพระลัคนาใจเนี่ยนับถือก็ต้องนับถือให้ถูกนะส่วนใหญ่ชาวพุทธนี่นับถือผิดนะ คือนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่จะให้โชคให้ลาบให้ประสบความสาเร็จช่วยให้หลอดตายหายป่วยร่ำรวยมีชื่อเสียงนะนับถือแบบนั้นนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มันก็ดีอย่างนะก็คือทำให้ยาเกรงมีความยาเกรงในพระรัตณตตรจ ก็บอกก้าทำชั่วบอกก้าติดศีลอันนี้ดี <c oughs> แต่ว่ามันมีปัญหาก็คือว่าบางทีบอกกล้าบอกกล้าคิดแยง้งคิดคิดเถียงหรือว่าคิดต่างเพราะก็จะลบหลู่นะ อย่างเช่นประสง์นี่ประสงค์บางทีก็ไปคิดว่าโอ้ยนุ่งโกนหัวห่มเหลืองแล้วขึ้นช่วยเป็นพระแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์หมดแต่ต้องมาได้อันนั้นบอกแม่นคนศักดิ์สิทธิ์มาแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นแค่ปุถุชนปุถุชนก็มีผิดพลาดได้ยังมีกิเลสตัณหา เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรผิดก็ต้องทักต้องทวงอต่ไปคิดว่าโอ้พระสงฆ์นี่เป็นบุคคลศักดิก์สิทธิ์ไปทักไปทวงเดี๋ยวจะเป็นการลบหลู่เป็นบาปเดี๋ยวจะซวยอันนี้เข้าใจผิดเน่ สมัยก่อนนี่ชาวบ้านเราคอยจับตาเฝ้าดูพระสงฆ์ถ้าเพื่อนทำดีก็อนุโมทนาถ้าเพื่อนทำบัดีก็แนะนำตักเตือนถ้าบัเชื่อนกินเหล้าเนี่ยติดยาก็เอาเสื้อผ้ามาวางไว้ข้างหน้าเอาศึกได้แล้วถ้าบ่ยอมศึกเดี๋ยวก็จับศึกเองอันนี้ ทำถูกได้บ่บแม่นบาปเพราะว่าคนคนนั้นบ่แม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนธรรมดาไม่เวลานับถืออะไรว่าศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าข้อดีก็มีข้อเสียก็หลายเลยเพราะไปนับถือสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงของแท้ว่าสักดิ์สิทธิ์นี่โอ้ยมันจะสร้างความเดือดร้อน การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มีข้อเสียอีกอย่างหนึงน่งหนาก็คือว่ามันมีความคาดหวังคาดหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะโดนบันดาลให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ถ้าป่วยก็หวังว่าจะหายป่วยช่วยให้หลอดตาย ถ้าไม่จะไม่ป่วยก็หวังว่าจะร่ำรวยมีชื่อเสียงคาดหวังแบบนี้เรียกว่าหวังประโยชน์ทางโลกนะวองประโยชน์ทางโลกแล้วพอผิดหวังบม่ได้สิ่งที่ต้องการนี่มันเครียดผิดหวังมันจะถึงกับเกียดชัง เรื่องนับถือไปเลยก็มีอุตสาห์นับถืออุตสาห์ทุ่มเทหวังว่าจะได้ความสุขความเจริญพอเกิดไช่พิกผันเป็นหนี้ร่มป่วยเกิดภัยพิบัติโอไม่เห็นช่วยฉันเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย แสดงว่าเป็นของเทียมเลิกดีกว่านับเลิกนับถือเมื่อต้นเดือนนี้ก็มีนะนักสร้างหนังคนหนึ่งเพิ่นไปสร้างหนังเรื่องเพิ่นไปพ่วมกับนักสร้างด้วยสร้างเรื่องอะไรเรื่องขัวโตขัวโตคือหลวงพ่อโตนั่นแหละเป็นภาคสมัยรัตที่สี่ อ น, นี้ดังมากนะพระสมเด็จพระสมเด็จเนี่ยก็คือพระที่หลวงพว่อตอสร้างราคาหลายล้านห้าสิบละให้ห้าล้านสิบล้านสามสิบล้านก็มีใครมีพระสมเด็จนี่ก็รวยที่คนสร้างมาแล้วก็ลงทุนประมาณสามสิบล้านปรากฏว่าเจ๊ง ใช้ขเข้าโรงได้แค่สองสาวันก็ต้องเอาออกเลิกชายเพื่อนก็เลยเป็นหนี้เรียกว่าเป็นหนี้ล้นพ้นตัวผิดหวังพอเป็นหนี้แล้วเมียก็ตีจาก ก็เรียกว่าเจอข้อซ้ากับสัตว์หลายอย่างเพื่อนเลยประกาศเลิกนับถือพุทธศาสนาเกี่ยวกันบ่เ <c oughs> พื่อนบอกเกี่ยวนะ่ะเพื่อนบอกว่าอุตสาหทำประโยู่ให้กับศาสนามากมายแต่ศาสนานี่ไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนเลยมีแต่ทําให้ชิบหายว่ดชิบหายแล้วก็ไร บานแตกสาหรกายขาบเลิกนับถืออันนี้เพราะว่าดาวน่าเฟินคงจะหวังนะว่าเมื่อทำหนังขัวโตหลวงพ่อโตแล้วนี่ซึ่งเป็นบุคคลศักดิ์สทินะที่ใครๆก็นับถือก็เชื่อว่าจะได้เกิดสิ่งตนบรรดาให้ หังประสบความสําเร็จทําให้ทําให้ดังหรืออาจทาให้รวยที่ไปคาดหบังไปนั้นเพราะว่าไปนับถือหลวงพ่อบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือาศาสนาพูดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อทําหนังาศาสนาก็ต้องได้รับสิ่งดลบันดาลได้รับผลดลบันดาลให้สําเร็จ แต่พอหนังบสํำเร็จเนี่ยเป็นหนี้สินมากสามสิบล้านแถมเมื่อเมียก็ทิ้งอีกเนี่ยแสดงว่าบอมแม่นของจริงเนี่ยแสดงว่ า, าศาสนาพุทธบอสแม่นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เลยเลิกเลยอันนี้แหละคือ ขอเสียนียของการที่นับถือพระตัณฐา่ารย์สัชชิตเพราะมันมีความหวังซ่อนอยู่ว่าเนี่ยนับถือแล้วต้องรวยนับถือแล้วต้องสําเร็จพอเกิดอันนเปน็มีอันเป็นไปขึ้นมาทำแล้วไม่สําเร็จทําแล้วเจ๊งทําแล้วเป็นนี่ก็ผิดหวังผิดพอยผิดหวังก็โกรธพอโกรธแล้วก็เกลียดพอเกลียดแล้วก็กูไม่นับถือแล้ว มันก็เหมือนกับญาติโจมจำนวนหนึ่งนะเมื่อสามสิบสี่สิบปึกปีก่อนที่ซูรินนะมีไฟไหม้ใหญ่โอ้เสียหายกันหลายร้อยเป็นพันเลยมั้งชิ้นเนื้อประดาตัวไม้กลางเมืองก็มีคนไปตัดเพาะกับหลวงปูด่ดุล หลงปุ่ดูนิวันเพื่อนอยู่กลางเมืองเลยวัดบุรพารามสุรินเป็นผู้ที่เป็นที่นับถือของชาวสุรินเพื่อนเป็นลูกศิษย์ของปู่มั่นด้เลแรกๆตัดเพราะยในตัวเองบ้างฝากหรือว่ามีคนมาไล่ฟังบ้างวันเนี่ยตั้งแต่ปู่ญาตายายของชั้นก็ทาบุญอุปถัมภ์ศาสนาพระสงฆ์ พ่อแม่ก็ใส่บาตรเป็นประจำตัวฉันเองก็ทำบุญกระถินผ้าป่าก็ไม่เคยละเว้นใส่ซองช่วยหมดแต่ทำไมบุญไม่รักษาทำไมไม่คุ้มครองทไมไฟไหม้ <c oughs> ต่อไปนี้ฉันเลิกทำบุญแล้ว เลิทําบุญแล้วไม่ว่าจริงๆเพื่อนอาจจะเลิกนับถือเพื่อศาสนาแล้วก็แต่เพื่อนบอกล้าพูดพูดไปแล้วเดี๋ยวกลัวโดนดา่าเรียว่าเลิกทาบุญแล้วผิดหวังเรียอกหักเนะมีคน อ, อกหักแบบ น, นี้เยอะนะเพราะว่าเพื่อนนับถือพุทธศาสนาหรือพระธรรมจัยอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อนับถือแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องคุ้มครอง ต้องอำนเยควาโชะลา่าทําบุญก็เพราะว่าหวังอยากได้โชคได้ลาหวังให้ปลอดจากอันตรายพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมามันจิตใจมันกลับตรลปัดเลยนะจากรักเป็นเกลียด จากชอบเป็นชางจากนับถือเป็นละทิง้งคนมาพูดเงี่ยหลวงปู่ดูลงดูงปู่ก็ดู ก, ก, ก็บอกว่าธรรมะมันไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นเาบอกว่าความวิบัติความเสื่อมความอันตรายทางความพัดพร่างมันเป็นธรรมประ จ, จำโลกคือไม่มีใครหนีพ้น วั น, น้เมื่อผู้ปฏิบัติทำผู้ฝ่ายทำเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยทําอย่างไรจรึงจะใจจึงจะไม่ทุกข์ต่างหาอันนี้เป็นหน้าที่ธรรมะธรรมะไม่ได้ช่วยให้ไม่แก่ไม่หิวไม่ป่วยไม่ตายไฟายไม่ไม่คือฉันนับถือพระธรรมได้ใจริงนก็นับถือว่าเป็นสารณะที่จะช่วยเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่จะช่วยเปิดใจให้มีปัญญาห็นสัจธรรมความจริงถ้าถื อ, อรับถือแบบนี้ถ้าไปรับถือไปว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยป้องกันอันตรายได้ขอให้ช่วยให้รอดตายหายปวยแล้วเมื่อมีชื่อเสียงเนี่ยมันบ่นแม่นวัสูุประสงค์ของพัตนาใรา อันนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ปู่ย่าสารปู่ย่านั่นเป็นหน้าที่ของผีว่าไม่หน้าที่งพระนรจัยคนไทยเวลาไปเส่นไหว้ผีนี่ก็เส้นไหว้เพราะอยากจะขอให้ร่ํารวยขอให้มีโชคมีลาบอันนั้นเป็นหน้าที่ของผีอันนี้เป็นหน้าที่ของปู่ย่าสารปู่ย่าเป็นหน้าที่ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามที่ต่างๆ เขามีหน้าที่อำนวยะโยชน์สุขทางโลกนะส่วนพระรัตนารัยเนี่ยบุ่งให้เกิดประโยชน์ทางธรรมนะประโยชน์ทางโลกก็บอกอย่างที่บอกนะรอดตายหายป่วยร่ำรวยมีชื่อเสียงประโยชน์ทางธรรมก็คือว่าทำให้ใจสงบนะ เป็นสุขสุขนี่บ่อแม่นว่าสุขเพราะได้กินของอร่อยเพราะได้ฟังเพลงเพราะหรือเพราะมีคนชมนี่สุขใจเพราะได้ทดําดีสุขใจเพราะไม่มีความชั่วทำไม่มีทำไม่มีความชั่วที่เคยทําสุขใจเพราะว่าสงบมีสติมีสมาธิ เป็นใจที่ตื่นเบิกบานเพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางว่าแม่ในใจที่คิดจะเอาปล่อยวางจนกระทั่งพ้นทุกข์นะคือ น, นิพพานนั่นแหละนับถือพระธรนมจัยเพราะอยากรวยหรือว่าอยากมี สึงคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายนี่ก็อันหนึง่งนับถือพระตา้งใจเพราะว่าจะพาไปสู่ความพ้นทุกมีพันธิพาเป็นที่หมายนี่ก็อันหนึง่งมันเป็นทางแยกเลยสองทางบม่แม่นทางเดียวกันแล้วที่จริงแล้วนี่ถ้าไปหวังประโยชน์ทางโลกเนี่ยนะ ส่วนใหญ่คนเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะหวังนี่แหละหวังประโยชน์ทางโลกแต่ว่าหวังเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งผิดหวังได้ง่ายยิ่งหวังมากก็ผิดยิ่งผิดหวังมากเพราะว่าประโยชน์ทางโลกมันบาทเที่ยงก็คือมีเสื่อม ไม่มีใครหนุมไปได้ตลอดไม่มีใครสาวไปได้ตลอดไม่มีใครที่จะรอดตายไปได้ตลอดกาลวันนี้รอดตายพรุ่งนี้รอดตายแต่ว่ามาันเลนก็อาจจะตายก็ได้เพราะว่าความตายเป็นของธรรมดาเป็นของแน่นอนหายป่วยวันนี้ปีหน้าก็จะต้องป่วยใหม่ร่ารวย แต่ก็อาจจะจนก็ได้หรือว่ารวยแต่ว่าทุกสามสี่วันก่อนได้ข่าวว่าราปพ อ, อายุสี่สิบตัวหวยสามสิบล้านรตัตบาที่สามสิบล้านอยากได้บ่มเราเรามีความสุขนะแต่ตอนนี้เพื่อนเครียดเพื่อนบอกว่า นึกว่าจะมีความสุขที่ไหนกับแย่กว่าเดิมพ อ, อพอไรพอสามสิบล้านเมียก็ขอส่วนแบ่งสิบล้านเพื่อนก็มีปัญหากับเมียมาก่อนที่แรกก็จะแยกกันพอรู้วได้สาสิบล้านเมียขอสิบล้านเพื่อนบ่ยอมเมียฟ้องเลยฟ้องศาลตอนนี้เพื่อนบอกว่าล่าสุดเพื่อนบอกว่านี่ เครียดมากเลยว่ากาจะบวชดีกว่าได้สามสิบล้านตแต่ว่าเครียดจวต้องคิดจะบวชบวชเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้หายทุกใจเพื่อได้มันได้ใจสงบสามสิบล้านผมนั่นเป็นสรณะได้ได้สามสิบล้านนี่ก็ต้องเพ่งเข้าวัดเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้สุขแท้ พอได้โชคได้ลาถึงรู้ว่าสุกแท้นี่มันมีอยู่ที่วัดอยู่ที่ธรรมะยังคาราคาซังกันอยู่เลยนะสามสิบล้านเนี่ยเยนี่ยมันไม่ใช่ของแท้เนี่ยความร่ํารวยว่าจะทําให้สุกจริงถ้าสุกจริงนี่ต้องนิพพานแต่ถึงแ่าว่ายังบอได้ถึงนิพพานก็ยังสุขได้นะ เมื่อจะรู้จักปล่อยรู้จักวางมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันเครียดมันสูน์ก็รู้พอรู้แล้วมันก็ละพอละแล้วมันก็สบายไอ้ที่ทุกข์เพราะว่าปล่อยวางมาได้ที่ปล่อยวางมาได้เพราะาลืมตัว นี่นับถือพระธรรตรัยก็นับถือให้ถูกนะอย่าไปนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดนบันดาลให้ได้รับความสมมําเร็จทางโลกจะผิดหวังได้ง่ายถ้านับถือก็นับถือพระธนรตรัยนะว่าจะเป็นแสงสว่างนําทางให้พบความสุขใจ กลายจากความชั่วกลายจากความมัวหมองมีความช่ำชื่นเ บ, บิกบานสงบเย็นทิจใจจนถึงขั้นโน่นพ้นทุกข์เลย้านับถืออย่างหลังเนี่ยต้องเรียกว่านับถือถูกนะนับถือเป็นสรณะ อยไปนับถือเหมือนกับนับถืออารามนับถือภูเขาป่าไม้ส่วนมะคู่เนี่ยถ้าถือพระราชตรายเหมือนกันนับถือภูเขาป่าไม้นับถือสารพรภูมิหรือว่านับถือเจดีลุกขเจดีอันนั้นมันพอถูกนับถือได้แต่ว่ามันแบาแม่นเป็นของแท้ แล้วก็ทำให้ผิดหวังง่ายพอผิดหวังแล้วก็เลิกผมเลิกนับถือพุทธศาสนาแล้วเพราะพุทธศาสนาไม่ได้ให้อะไรผมเลยนอกจากความฉิบหายและบ้านแตกเสาแตกขาดนี่เพิ่อนประกาศพอนับถือผิดเนี่ยไปนับถือหลวงพ่อโตเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทำให้สำเร็จทำให้รวยไม่รู้ว่าหลวงพ่อโตนี่เพื่น เป็นคนมีเมตตา เ, เพื่อนให้อย่างเดียวเลยวันนึงนอนจำว้าใหญ่กุติมีขโมยมาเจาะพื้นกุติแล้วก็เอามือล่วงเอาของของหลวงพ่อโตเนะี่ยเพื่อนนึกว่าหลวงพ่อโตนี่รวยเพราะเป็นสมเด็จนะเอามือล่วงจากข้างล่างนะแต่ว่ามือล่วงบอ่ถึงนะหลวงพ่อโตทางานเอาไม้เขี่ยของให้ใกล้กลมือ เพื่จะได้ล้วงง่ายออกไปเลยแค่นั้นไม่พอนะเพื่อนจะเอาเรืออีกนะเข็นเรือห <Yeah. S 1> ลวงพระโตนี่มีเรือลำหนึ่งอยู่เ <Yeah. S 1> ข็นวางไว้อยู่วางไว้ข้างล่างเข็นเรือเนี่ยเข็นแล้วมันเสียงดังหลวงพระโตก็เลยเปิดหน้าต่างบอกว่าเฮ้ยเข็นเบาๆหน่อยจ้า <Yeah. S 1> อย่าเข็นเสียงดั ง, <Yeah. S 1> งเสียงดังด <Yeah. S 1> เ, เดี๋ยวพระเห็นเดี๋ยวก็จะ <Yeah. S 1> มาทําร้ายเธอนะจ๊ะ แ, แล้วแนะนําอีกนะว่าเวลาเข็นเรือเนี่ยนะต้องเอาไม้มาลองมันจะได้เลื่อนไหลไปได้สบายนะ mm hmm. เพื่อนบอกให้เสร็จเลยนะไอ้โจนี่มันพอจะอินหลงพ่อตัวพูดอย่างนี้นะโอ้เก่งใจนะ mm hmm. เก่งใจนะเพื่นอุตษาหให้นะเพินน่นหนีไปเลยนี่หลวงพ่อตทําไมเอาอะไรเลยนะ เพื่นไปทอดกรถิ่นนะจะไปทอดกรถิ่นที่อ่างทองเอาเรือไปไปแพ้ไปจอดว่ายังบอกอดนะไปจอดที่วัดวัดหนึ่งเพื่อนก็ไปนอนในโบสถ์ในเรือมีเครื่องกระถิ่นเพียบเลยคนในเรือก็นอนหลับโดยมาขโมยหมดเลยนะเครื่องกรถินเ<ม>พื่อนรู้ว่าลูกอ๋อเพื่อนยิ้มเลยนะของหมดแล้วเนี่ยก็เลยลั่นเรือกลับคนก็ถามว่าเอาทอดกรินเสร็จแล้วหรือเพื่อนบอกทอดเสร็จแล้วนะ เอาบุญมาฝากเด้เอาบุญมาฝากโจรเอาไปแล้วนะเพื่อนก็ถือว่าเออเสร็จแล้วเัว้ไม่ได้เครียดไป่ได้สูญเล ย, เยมีแต่ให้มีแต่สละเนี่ยคนไปนับถือหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อโตเนี่ยแทนที่จะได้ได้ตัวนี้ไปคือให้สละปล่อยวางไปนับถือเพราะจะเอาจะรวย มีพักเครื่องพรกสมเด็จสามสิบล้านเพราะอยากรวยเนี่ยมันก็เลยผิดหวังเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่จะรวยมันก็มีน้อยเพราะสมบัติทรัพสมบัตินี่มันมีจํากัดแต่ถ้าหวังนับถือหลวงพ่อโตเพราะออจะได้ธรรมะจากเพื่อนให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ถือตัวเนี่ย อันเนี้ยได้แน่นอนนะได้ความสงบได้ความสุขใจอย่างที่เมื่อกี้เราสวนนะว่านับถือพระรัตนตรารัยเนี่ยนับถือถูกนะั่นมันต้องเห็นมันต้องปฏิบัติจนเห็นอริย ส, สัจสี่เมื่อได้บุคคลเห็นนับถือพระรัตนตรารใยนับถือพระอาจารย์เป็นสารณะแล้ว ย่อมเห็นนะทุกเหตุให้เกิดทุกความร่ำความก็ร่วงผู้เสียได้แล้วถ้าออกจากทุกนับถือพระรัตนใจแล้วบอกเห็นอริสัตย์สีนี่มันมันเสียอะไรมันเสียเสียโอกาสเนี่ยตั ว, วนับถือผิดแล้วคนส่วนใหญ่ก็บอกอย่างที่บอกนับถือพระรัตนใจก็เพราะนับถือว่าอยากจะได้ หวประโยชน์ทางโลกบ่ได้มุ่งประโยชน์ทางธรรมประโยชน์ ท, ทางโลกนี่ผิดหวังงา่ายจะประโยชน์ทางธรรมนี่รับรองถ้าปฏิบัติตามนี่ได้แน่นอนได้มากหรือน้อยก็อีกเรื่องห น, นึ่งอย่างนัน้อยๆก็ได้ความสงบใจสงบนี่คือสงบในทุกโอกาสเลยบ่แม่นสงบเพราะว่าบ่มีเสียงดังสงบเพราะว่าคน เชื่อฟังทำตามก็เลยสงบอันนั้นสงบแบบมีเงื่อนไขสงบที่แท้นี่มันทุกโอกาสไม่ว่าคนจะส่งเสียงดังยังไงใจก็สงบได้ไม่ว่าคนจะด่า ย, ยังไงใจก็สงบได้ไม่ว่าเจ็ป่วยยังไงใจก็สงบได้เงิเ น, นถูกปล้นถูกขโมยบ้าน ถูกไฟไหม่ใจก็สงบได้คนรักตายจากไปใจก็สงบได้เมื่อก็นางมริกาเทวีเนี่ยถวายของพระถวายอาหารพระพระโมกขลานะพระไตรบุตเป็นประธานตอนเช้านี่มีคนเขียนส่งจดหมายมาว่าผัวแล้วก็ลูกสามสิบสองคน เป็นแฝดสิบหคู่นะสิบหคู่ตายหมดถูกฆ่าในถูกคนซุ่มโจมตีฆ่า mm hmm. เพื่อนได้อาจดหมายน้อย mm hmm. เพื่อนก็เออ mm hmm. เพ่นก็เฉยเฉยแล้วก็ถวายทำหน้าที่ต่อถวายอาหารระหวงที่ถวายนี่คนใช้ทำจารใส่ในแตกแตกเพลงเียงดังพระไตรปก็บอกว่ า, วาของที่มันแตกมันก็แตกไปแล้วอย่าเสี ย, ยายไปเลย บอกกับนางมริกานางมริกาบอกว่าอัยเมื่อเช้านี้เพิ่งได้ข่าวว่าผัวแล้วก็ลูกท3 2สามสองคนตายหมดดิฉันก็ยังบมได้เสียใจเลยนะแล้วนับประสาอะไรกับการใส่เมย์แตกเนี่ยเรียกว่าสงบเนสงบเพราะว่าไม่ใช่เพราะสำเร็จแต่สงบเพราะว่าปล่อยวางได้ นี่เราประโยชน์ทางธรรมนะประโยชน์ทางธรรมคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่ใจถึงแม้ว่าจะสูญเสียจะพัดพลาคเก็บป่วยนะแต่ก็สงบได้อันนี้แหละที่เป็นของดีของแท้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆจะทำให้ได้แบบนี้นะ เจ้าของต้องเฮ็ดเองแล้วต้องเฮ็ดตามที่พระตนัสใจได้แนะนำบอกทางไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ช่วยบาได้ไอ้ความสงบใจสิ่งศักดิ์สิธ์อาจจะให้ได้นะอาจจะให้ได้เนี่ยจะมาบัดปฏิเสธนะอาจจะให้ได้อาจจะให้ช่วยบรรดาให้ประสบโชคลาภได้นี่เป็นไปได้นะ สิ่งศักด์สิทธิ์สามารถจะดนบรดานให้ประสบโชคลากได้อันนี้เป็นไปได้สิ่งสิไอช่วยทาให้ได้สามสิบล้า น, น, นเป็นไปได้แต่ว่าได้สาสิบล้านแล้วนี่จะสุขหรือทุกข์นี่ตัวใครตัวมันด้เพิเ่หัวใจเพิ่ เ, เข้าโรงพยาบาลเพิ่เ้าเลยปวดเข้าไปแล้วเหรอเพิ่งสี่สิบเองเข้าโรงพยาบาลเป็นลูกหัวใจนนเนาะแต่มาเครียดหนักนะไอตอนบ่ได้บ่ได้ประสบหวยนะสบาย กินอิ่มนอนอุ่นพอสูกสาสิบสาสิบล้านนี่โอ้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะสามารถอาจจะช่วยทาให้ได้ถูกหวยสามสิบล้านแต่ว่าถูกแล้วนี่จะสุขหรือทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของธรรมะแล้ ว, ลว <S <S ถ้าบ่ามีธรรมก็ทุกข์ถ้ามีธรรมะก็สุขเออสามสิบล้านก็มีอีกได้สิบล้านก็ไปเลย ที่อย่างนี้แหละเมียอย่าได้สิบล้านเอาไปเลยเพราะยังได้เพราะยังเหลืออียี่สิบล้านจะหวงทําไมครอบควงนะลูกขออีกล้านนึงเอาไปเลยแจกไปจนเหลือห้าแสนก็ยังก็ยังกําไรนะแต่คนเราพอมันได้แล้วนะไอตอนที่ยังบ่ได้มันนะตอนที่ยังบ่ถูกหวยนะเอ๊ยถ้าฉันถูกสิบล้านนี่ฉันขอล้านเดียวก็พอแล้วที่เหลือทําบุญแต่พอได้จริงนะสาสิบล้านนะ ศาลยังไม่ยอมให้เลยไอตอนที่ยังบ่บได้เงินเนี่ยมันก็เป็นของนอกกายของนอกตัวแต่พอได้มาันกนะ็เป็นของกูแนละ้วอะไรที่เป็นของกูหวงแหนจริงนเพื่อนฉลาเนะี่ยเพื่อมีธรรมะนะสามสิบล้านนี่เพื่อนจะเอาไปทําประโยชน์ได้หลายแต่นี้พ่อขอบอม่มีธรรมะนะมันเครียดมีจะขอสิบล้านไม่ให้นะ พอเคยทะเลาะกันนะพอมีเไม้พอบยอยอมให้เมียเอาเมียฟ้องเลยเอาละวุ่นวายเนะนี่ยอันนี้ประโยชน์ทางโลกนี่นะอาจจะได้นะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ทางธรรมก็คือใจที่มีธนะรรมะลาบที่ได้ก็เป็นทุกขลาบเลย มันคืไปคนละทางนะรวยแต่ทุกนะทุกใจแต่ว่าจนอาจจะสุขใจก็ได้เอาเราพอสมควรแล้วอ่ะเตรียม